หน่วยรับงานปกครองท้องถิ้นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิน้นเจรเินก้าวไกลชาเป็นเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอานําไม่พระปา น, นําไปขอตั้งใจอาตาเทศบาลด้วยรับงานมากมายหลายด้านเจ็บหรือตายหุนไหวย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเป่าทำการที่ทํางานเพรมไปทุกระเพื่อนครนิวัฒนาเป็นคนตา เทศบาลคือบันไดของการปกครองตนลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเผู้ทนลมงัด้วยการรับใช้กันไปเห่่ไหนไม่สคัญมีุของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทางทันสมัยทั่วการเทศบาลก็คือเราม่ช่วยสคัญเทศบาล รวมกระสานคอยรวม วยรับงานปกครองท้องถิ้นเพื่อสังคมประชาะทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ้นจะเรินเก้าไกลาชาคนเรื่องให้ประเทืองและงามนิลัยอาณาไม้พระประนานําไปขอตั้งใจอาสาเทศบาลวยรับงานมากมายลายด้านเจ็บหรือตายหุ่นไหวา ย, ยายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเฝ้าทำงารที่ทํางานพรอมไปทุกราเพื่อนคร น, นิวัดพั เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามขลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อนลงให้ัใจด้วยการรับใช้กันไปเหนือคไหนไม่สคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลพร้มสิ้นรวมรับกานปกครองท้องถิ่นทั้งทนิสสบันทั่วการสบานก็คือเรา มสัมพัพนธ์เทศบาลนี้จึงสําคัญร่วมกระสานคอยร่วมมือเงินประเทศสีละอาที่ล้างศาตรดดีเมืองพระสีพธมมาต์แหล่งไม่กว่าตองกลงโดงหอมแดงเรื่องชื่อนามระบืดตํำนาดมืองแม่ๆวิสัยทัศน์ของเทศบาล ศรีพนมมาตรคือศูนย์กลางแห่งอรารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบูรณสมบูรณ์ของเมืองละแลที่ไม่มีวันสิ้นสูนย์สลายสวัสดีครับคุณนุ่งางครับพบ ก, กับรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพนมมาตมร์เมืองลบแลกครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2565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 ไปไม่เยือนลับแหลผ่านทางประตูความรักสู่บานประตูไม้จำหลักวัดดอนศัก์ที่แสนงมผลักบานประตูอดีตที่ราชสียืนเฝ้ายางอาการักโบราณจดจานตำนานโยนกงา อ่อนแสงระวีมอ้อนฤาีตะวันลบาบลาเมืองแห่งคนไม่มูสาทอสศรัทธาด้วยหัวใจเถือกทิวพนาป่าเขาบ้านเราภูเขากินได้บมอกยามเชา้าแดดงามยามสายฝนโปรยยามใบหลอ แลกพบลมแล้วเธอจะรักล่พบลินแล้วเธอจะรักลินความสมบูรณ์แห่งแผ่นดินคู่ควรให้ปลูความฝันชมตลาดยามเชา้าชวนชิมข้าวแค่มีพันรับแลกเพียแ ล, แล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 มลาลับเลือนต้องกลับมาเยือนรับแลหาใครมาเยือนรับแล ผานทางประตูความรักวันลาจากไกลใจคงประจักษ์ว่าไม่มีวัน ล, ลาเล่าลับตาไม่เคยลับใจร่างไกลไม่เคยร้างราในลาลับเรือนต้องกลับมาเยือนลาแลไม่ลาลับเรือนต้องกลับมาเยือนลา แลไม่ลาลับเลือนต้องกลับมายืนลับแลมายืนลับแลผ่านประตูความรัก สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีวันศุกร์ที่16ครับเป็นไงกันบ้างคุณผู้ฟังมาก็แน่นอนครับทะลุกลางเดือนแล้วคุณผู้ฟังเข้าสู่กลางเดือนช่วงหลังของเดือนกันยายนครับและแน่นอนในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลลังศาสตรองกองหวานและสินค้า O อท็อนะครับงานสรัระกลางนั่นเองคุณผู้ฟังก็จะหมดวันที่22แล้วครับซึ่งแต่ละวันก็จะมี ไฮไลท์ light, แตกต่างกันไปไม่ทราบว่าไปเดินกันรึออยังคุณรู้ฟังเมืม่อวานนี้ก็ฝนก็พรำพรำมาครับในช่วงกลางค่ากลางคืนแม่กลางวันนี่แดดยังเปรี้ยงอยู่นะคุณรู้ฟังพอกลางคืนลมก็ไม่ค่อยมีครับอยู่ๆมาบึง้งปุ๊บฝนลงปับ๊บทางบ้านเราไม่แน่ใจว่าทางในเมืองจะตกมากตกน้อยขนาดไหนคุณรู้ฟัง ก็ยังต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนนะครับสำหรับคนที่ใช้ยนานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับ่วนรถยนต์ก็ดีหน่อยไม่เปียกแต่ก็ขอความร่วมมือด้วยครับขับช้าๆขับเบาๆไม่ต้องเร่งรีบเจอแอ่งน้ำก็ระวังด้วยบางคนขับบังคับรถมาด้วยความเร็วปรากฏว่าบังคับรถไม่ทันเพราะเจอแอ่งน้ำกลายเป็นรถเหิน อันตรายนะครับคุณผู้ฟังแม้จะเป็นทางตรงครับพอเจอแอ่งน้ำปุ๊บรถเถินหน้ารถสะบัดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ บอกด้วยความริ้งใจน้องวันใจเดิ้ลถูกายเชิญไปเป็นคู่ชีวิตไออยากให้เฮางมตันเสมอน้องกันไอเดิ้แต่ยังมีเรื่องแปึกอ้ายเป็นคนดีอันนี้หมดพอสงสัยแต่ที่น้องย่าลา ก็คือเงินไทยของวันเวลาเมื่อความผาเก่าสิปล่อยให้นองเงาก็สิยังได้ยินบนโนคำว่าหักกันเมื่อวันนั้นมายึงจับมือกันคอยห่วงใ่กันบนโนมือหนาก่อนที่ไอ้แน่จะสัญญาแนใจบนนั Wan ki pan. ที่เบื่อน้องบอกในวันนี้อยากจะทำอะอรายเป็นคนดีอันนี้หมดพอสงสัยแต่ที่น้อง่าตาหลายคนก็คือเงื่อนไขของวันเวลาเมื่อความผาเก่าสิบปล่อยให้น้องเงาบ่ทียังได้ยินบน่นอง คำว่าหักกันเมื่อวันนั้นมายังจับมือกันคอยห่วงใ ย, ยกันบนนุ่มมือนาะตอนที่อ้ายนั้นจะสัญญาในใจบนวนาว่ามาจากใจอ้าย หากันเมื่อวันนั้นมายังจับมือกันคอยห่วงใยกันบนโน่เมื่อนาตอนที่ไอ้นั้นเธอสัญญาในใจบน้าว่ามาจากใจไอยบยังจับมือ I believe that my heart is o p e ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหมบอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทอรมาอยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัดท 猜谜。<音> สาระนารู้วันนี้ครับคุณผู้ฟังผมหยิบเอาเรื่องนี้มาฝากครับเรื่องของสมุนไพรไทยที่บำรุงปอดคุณผู้ฟังเสริมความแข็งแกร่งให้กับปอดครับสู้กับอากาศแบบนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ฟังอันดับแรกครับแน่นอนกระเทียมครับถ้าพูดถึงสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบกระเทียมต้องอยู่อันดับต้นๆครับและในตำรับยาไทย ก็มีข้อมูลของสรรพคุณกระเทียมว่าช่วยรักษาปอดแก้ปอดพิการบำบัดโรคในอกรักษาวันโรคแก้วัดคัดจมูกแก้ไข้ขับเสมหะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้หลายชนิดเลยทีเดียวขิงครับขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเด่นคือต้านการอักเสบในร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง และยังดีต่อระบบทางเดินหายใจทั้งยังช่วยขับเสมหะในคนที่มีเสมหะ บ, บ่อยๆได้ที่สําคัญน้ําขิงหาดื่มง่ายอร่อยด้วยขมิน้นชันครับเป็นสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมนูลอิสระมีฤทธิ์ต้านการอักเสบทั้งยังมีข้อมูลงานวิจัยที่บอกว่าขมิ้นชันช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจที่ผิดปกติหืดไอและลดการอักเสบในปอดได้ด้วย ขณะที่งานวิจัยในหลอดทดลองพบว่าขมิ้นชันช่วยปรับภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำลายปอดจนเกิดความเสียหายในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่พริกครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะหอบหืดภูมิแพ้ไซนัสหลอดล้มอักเสบหรืออยากจะขับเสมหะออกจากปอดลองกินพริกได้เลยครับเพราะว่าความเผ็ดร้อนของพริกจะช่วยกาจัดสิ่งกีดขวางในระบบทางเดินหายใจ ถือเป็นสมุนไพรอีกตัวที่ดีต่อปอดครับมะขามป้อมครับสบรรพคุณของมะขามป้อมก็ดีต่อปอดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสมุนไพรบํารุงปอดชนิดอื่นๆเพราะช่วยแก้หวัดแก้ไอละลายเสมหะบรรเทาอาการโรคหอบหืดโรคหลอดลมอักเสบโดยมะขามป้อมอุดมไปด้วยวิตามินซีและมีสารกลุ่มแทนนินที่ช่วยต้านน้ำมูลอิสระและช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ใบหม่อนครับใบหม่อนเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้ไข้หวัดแก้ไอโดยมีสรรพคุณขับลมร้อนที่ปอดและตับช่วยระบายน้ำที่ข้างในปอดได้บรรเทาอาการหอบหืดลดอาการแน่นหน้าอกลดบวมหรือบรรเทาอาการเลือดกันเดาไหลขากเป็นเลือดได้หรือจะเป็นใบหูเสือครับหม อ, อ น, นี้คนชอบกินกระลาบแก้มลาบนี่น่าจะชื่นชอบกับ ใบหูเสือครับมีกลิ่นหอมฉุนรสเผ็ดร้อนนิยมกินเป็นผักจิ้มน้ำพริกใส่ในแกงจืดหรือทำเมนูเครื่องดื่มต่างๆซึ่งใบหูเสือก็จัดเป็นสมุนไพรแก้หอบแก้ไอเรื้อรังรักษาหลอดลมอักเสบแก้เจ็บคอและจากการศึกษาก็พบริดขยายหลอดลมในใบหูเสือด้วยครับดอกปีบครับดอกปีบมีริดขยายหลอดลมแก้หืดแก้ริสีดวงจมูกขับน้าดี บำรุงกำลังบำรุงเลือดส่วนรากดอกปีบนำมาปรุงยารักษาวรนโรคขับเสมหะบำรุงปอดแก้อาการเหนื่อยหอบโดยจากการศึกษาพบว่าในดอกปีบมีสารที่เป็นสารชนิดประเห ย, ยได้และสารชนิดนี้ก็มีริ้ขยายหลอดลมดังนั้นจึงมีการนำดอกปีบแห้งมามวลด้วยใบโบหลวงหรือใบตองนวลแล้วใช้สูบแก้หอบ ชาเอมเทศกับชาเอมเทศเป็นสมุนไพรที่คุ้นชื่อกันดีเพราะเป็นส่วนประกอบของยาแก้ไอแผนโบราณซึ่งสรรพคุณของชาเอมเทศก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเพราะมีส่วนช่วยบํารุงปอดขับเสมหะมีรสหวานชุ่มคอแก้คอแห้งแก้ไอแก้น้าลายเหนียวแก้อ่อนเพลียบรรเทาอาการปวดค้องและมีฤทธิ์กล่อมประสาทอ่อนๆด้วยนะครับเห็นหรือยังครับว่าสมุนไพรหรือบางอย่าง ก, ก็เป็นพืชผัก มีส่วนช่วยนะครับในเรื่องของการบำรุงปอดได้หลายอย่างเลยทีเดียวครับก็เป็นสาระน่ารู้ที่ยิ่ ม, มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ หากผิดหวังท้อแท้เมื่อไรยังมีกำลังใจอยู่ตรงนี้พร้อมเสมอแค่เธอบอกมาจะไปหาช่วยซับน้ำตาไม่ว่าใครจะทำให้มันไหล อยาให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตของเธอพังเก็บความฝันของเธอ เพียงคนเดียวทําชีวิตของเธอพังเก็บความฝันของ ตกลุมรักเธอเข้าไปจังๆขึ้นไม่ไหวหัวใจมันมดแรรเพียงได้ยินเสียงก่อนหน้าแดงหัวใจอ่อนแรงลงทันใดอยากเป็นนางฟ้าคู่ควรกับเธอสัญญาไม่เธอไม่ลงไปมอง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 Life and a r t y o u o v e ไม่ต้องมี ชีวิตและหัวใจฉันยอมเทไว้เธอคนเดียวได้ปลดมองกันตรงที่หัวใจจะได้ไหมมองให้ลึกถึงข้างใน ของเธอ I keep the love I have for you. All my life and h e ฉันยอม o วาย e ห้เธอ เข้าสู่ช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของราคาน้ำมันก็จะมีผลในกลุ่มของเบนซินนะครับเบนซินแกโซฮอครับก็จะลดราคาลงอีก40สตางค์ครับมีผลพรุ่งนี้แกโซฮอร์ Gas o e 85, ลด20สตางค์นะครับส่วนแก๊สโซฮอร์เ E 20ลด40สตางค์ฮ่ฉะนั้นอย่าวเพิ่งเติมครับอันไว้เติมพรุ่งนี้ก่อนก็ได้ก็เป็นราคาน้ำมันนะครับมีผลวันพรุ่งนี้ครับ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันช่างไม่มีวีวว่แววต้องจบลงแล้วเรื่องเธอกับฉัน จากไปสมควรที่ต้องตัดใจสมควรที่ไม่เลือกใครเื่ไปก็แค่นั้น พันไปอาศิยเป็นน้ำบุญเก่าที่เขาร่วมสร้างกันมาขอบคุณดาที่ธเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกันขอบคุณจากใจผู้สาวคนนี้ให้สัญญาว่าสิหักแต่เจ้า ใจของน้องยอมเพี่เพื่อเธอคนดีจากนี้ไปจนนิรันดร์ คุณโนฟังครับช่วงนี้มีหลากหลายนะครับในเรื่องของการหลอกลวงนะครับมีมาหลากหลายทั้งข้อความ SMS หรือโทรมาคุณโนฟังล่าสุดนี้มีนะครับมีคนโดนไปแล้วนะครับแอบอ้างว่าเป็นสัมภากลครับและจะมาตรวจสอบไรายได้มันก็หลอกให้เรา บอกข้อมูลจริงๆครับชื่อเลขบัตรแล้วก็ส่งลิงก์มาให้กดทำรายการคุณรู้ฝังทำไปทำมาครับเงินในบัญชีหายวับคุณรู้ฟังอันตรายมากๆครับอันตรายมากๆก็โชคดีครับสัมพาร พื้นที่อุตรดิตถ์หอพื้นที่ของรับแลนะครับก็อยู่ที่ว่าการอาเภอฉะนั้นมีข้อสงสัยประการใดครับก็ไปถามสัมภาระโดยตรงเลยดีกว่าอย่าหลงเชื่อครับอย่าหลงเชื่อถ้าไม่ได้ไม่ดีก็วางซะจบแล้วก็มาที่สัมพาระมาสอบถามด้วยตนเองง่ายกว่าครับ ง่ายกว่าเขาไม่มีนะครับให้โอนเงินไปตรวจสอบไม่มีครับอย่าหลงเชื่อใดๆครับอย่าหลงเชื่อใดๆเด็ดขาดมีข้อสงสัยก็ไปถามสัพปะกรด้วยตนเองดีกว่าแต่ที่แน่ๆเขาไม่มีครับให้โอนเงินมาตรวจสอบก่อนแล้วจะโอนกลับอย่างนี้ไม่มีครับฉะนั้นถ้ามีมาหลอกลวงแบบนี้ อย่าหลงเชื่อครับอย่าหลงเชื่อมันหากินง่ายๆครับโอนปุ๊บเรียบร้อยไม่มีโอนกลับดีไม่ดีวางปุ๊บบล็อกเบอร์เลยอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับกับมิจฉาชีพครับแม่มิตรต่างๆนี่มาหลากหลายรูปแบบครับมาเป็นมิตรไม่ใช่กนนะัญญาณมิจไม่ใช่มิตรที่ดีนะครับเป็นมิจฉาชีพครับ ที่ติดต่อเข้ามาจะมัดระวังกันด้วยนะครับมาหลายรูปแบบจริงๆครับเินยังโบหูแต่จังว่าถือใจส่วนกันไปแม่สูงสี่ยืนอยู่เห็น เนี่ยมีบุญมีงานพี่น้อพากันแต่อยู่ทวนทวนพากันไปซ้อนไปหอนไปวนพากันมาลุ่ม กบูคอยเลยสักทีจึงว่ามนใจหสจมดความงาเสารระดมแดดีฮอนปานใดบมีผู้ใดสีเลนเขาห่มแดมมพวกมวนภูมิทีอนใจเสียงสายไลวมวมวกวัมือโซนกนอยู่ไวไวเยังบ่หูแต่จงว่าทืใจส่วนกันไปแสอ ทันที่พยากรณ์อากาศครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยา น, าน่านและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำภาคเหนือครับถึง16โรกนกวาวันพรุ่งนี้ไม่มีอุตรดิตแต่ยังชะล่าใจไม่ได้นะครับ อมสิทธิ ท, ท้างฟื้นเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะเชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมาย ลูกแย่เลยมาวัดบ้านแค่วันนี้พ่อกวยช่วยลูกที่อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาทำงานหลายปียังไม่ผลจากความปวดร้าว พอช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกทีวอนพ่อควยช่วยดลให้คนรักคนเมตตามีวาสนาโดงดังกับเขาสักทีให้มีเงนินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้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 ให้แขนกูงามดังพระเนารายให้ฤทธกูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูอ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 มันจะรินสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดน้าเชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอ้มีนาคูงามคือดังพระเมร ให้แขนกูงามดังพระเนารายให้ฤทธูกูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นนากูสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้ วันยอมให้ใครมาแย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้คเดียวจงเฝ้าคาาเอ้เ อ, องไให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลงคล้ยจะขอความรักมาผูกไว้ในหัในวใจมี ข้าทาเผยเธอลองรักให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทับ เวลาสิบแปดนาฬิกา จบคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงทำสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพโนมราชเมืองลำแหลนะครับก่อนจากการครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่อยู่ชุมชนฟักท่าหัวร้องป่ายางครับก็เตรียมเอกสารให้พร้อมครับในเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในวันที่20กันยายนครับบันดานคารที่จะถึงนี้9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับไปลงทะเบียนกันได้ที่ทําการชุมชน อยางกระไดเหนือนครับในส่วนของเอกสารครับท่านสามารถไปขอได้ที่ประธานชุมชนทั้ง6ชุมชนนะครับก็นํามากรอกเอกสารให้เรียบร้อยครับแล้ววันถึงเวลาวันของตัวเองชุมชนตัวเองก็ไปยื่นเอกสารได้นะครับตามเวลาและสถานที่ครับ9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับวันที่20กันยายนนี้ก็เป็นคิวของชุมชน